บทว่าสัพพัฏฐาปิได้แก่แม้ในกรรมฐานทั้งสี่สิบประการอัปนาชื่อว่าไม่มีในกรรมฐานสิบมีพุทธานุสติเป็นต้นเพราะสมาธิไม่สามารถตั้งมั่นได้ด้วยอำนาจอัปนาเหตุพุทธคุณเป็นต้นเป็นสภาวะมีอาจยอดเยี่ยมเหตุมีหลายประการและเหตุพุทธคุณแม้บทเดียวก็เป็นสภาวะลึกซึ้ง สมาธิที่ไม่ถึงความเป็นอปปนาย่อมตั้งมัน่นโดยความเป็นอุปจารเท่านั้นส่วนโลกุตระสมาธิและอรูปาวจรสมาธิที่สองและที่สี่ย่อมถึงอปปนาได้ด้วยภาวนาพิเศษแม้ในสภาวะธรรมความจรงิงโลกุตระสมาธิย่อมถึงอปปนาได้ด้วยกําลังตามลาดับแห่งวิสุท ธ, ธิภาวนา อรูปาวจรสมาธิย่อมถึงอัปนาได้ด้วยอำนาจภาวนาที่ก้าวล่วงอารมณ์ความจริงเพียงความก้าวล่วงได้เพียงอารมณ์ย่อมมีแก่จตุด h a g a สมาธิเฉพาะที่ถึงอัปนาแล้วฌานห้ามีอยู่แก่กสินสิบ และอาณาปานสติเหล่านี้เพราะเหตุนั้นกระสินสิบและอาณาปานสติเหล่านี้จึงชื่อว่าปัญจกชานิกะอีกอย่างหนึ่งกระสินสิบและอาณาปานสติประกอบในชาห้าเหล่านี้เพราะเหตุนั้นกระสินสิบและอาณาปานสติจึงชื่อว่าปัญจกชานิกะ เพราะอสุภะภาวนามีสิ่งปฏิกูลเป็นอารมณ์จิตจึงเป็นไปในอสุภะกรรมฐานนั้นได้ด้วยกําลังวิตกเท่านั้นเปรียบเสมือนเรือที่แล่นไปในแม่น้ําที่มีกระแสเชี่ยวได้ด้วยกําลังทอฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวคําว่าอสุภะสิบและกายคตาสติหนึ่งชื่อว่ามีเพียงปฐมฌานเพราะ ฌานที่ไม่มีวิตกวงเล็บเปิดทุติยฌานเป็นต้นวงเล็บปิดไม่เกิดมีในอสุภกรรมฐานความที่เมตตากรุณาและมุทิตาที่สัรคตรด้วยโทมนัตอันชื่อว่าเป็นข้าศึกต่อโทมนัตนั่นเองเพราะเป็นธรรมชาติละพยาบาทวิหิงสาและอนภิรติที่สัรคตรด้วยโทมานัตควรแล้ว เพราะเหตุนั้นพรหมวิหารทำทั้งสามประการมีเมตตาเป็นต้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่ามีได้ถึงชานสี่อุเบขาท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่ามีเฉพาะชานที่ห้าเพราะอุเบขาพรหมวิหารไม่มีการสหรต ด, ด้วยโสมนัสเหตุตัตระมจตุเปขาที่บังเกิดด้วยภาวนาอันละ ความพยายามสามอย่างที่เป็นไปด้วยอำนาจเมตตาเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขจงพ้นจากทุกข์จงอย่าแคล้วคลาดจากสุขสมบัติที่ได้แล้วดังนี้แล้วเป็นไปโดยอาการวางตนเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโดยเห็นความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกาลังกว่า บทว่ายะถารหังได้แก่โดยเหมาะแก่อารมณ์นั้นๆท่านอาจารย์กล่าวว่าย่อมได้โดยปริยายเพราะอารมณ์บางอย่างไม่แจ่มแจ้งพอขวามจริงมิตรที่แจ่มแจ้งพอย่อมเกิดมีเฉพาะในกะสินในวงเล็บสิบอสุภะในวงเล็บสิบกายคตาสติในวงเล็บหนึ่งและอนาปานสติในวงเล็บหนึ่งเท่านั้นแล ข้อว่าปทวีมันดาาทีสุนิมิตังอุกันหันตัสสะขวามว่าในเบื้องต้นเมื่อพระโยคาวจร<ม>ผู้เริ่มบำเพ็ญเพียร<ม>ชมระปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่ให้หมดจดก่อนแล้วตัดบาลโพูดสิบประการแล้วเข้าไปหากัยญาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณ ม, มีความเป็นผู้เป็นที่รักน่าเคารพและ น้ายกย่องเป็นต้นแล้วเรียนกรรมฐานอันเหมาะแก่ปกติจริตของตนละวิหารอันไม่เหมาะสมสิบแปดแห่งเสียแล้วอยู่ในวิหารอันเหมาะสมซึ่งประกอบด้วยองค์ห้ากระทาการตัดปริโภ o ที่หยุ่มยิ้มมีโกนผมและตัดเล็บเป็นต้นเสียวางดวงกะสินเป็นต้นไว้ข้างหน้าแล้วนั่งกั้งจิตไว้ในอาณาปานสติและกายคตาสติเป็นต้น กำหนดนิมิตในอารมณ์นั้นนั้นมีปัทวีกสินเป็นต้นตามลำดับภาวนานั้นนั้นมีว่าปัทวีปัทวีดังนี้เป็นต้นความสังเกตในที่นี้เพียงเท่านี้ส่วนการจเจริญภาวนาโดยพิสดารพึงค้นดูจากปรกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมัก ความจริงวิธีเจริญภาวนาแม้ทั้งสองอย่างในอภิธรรมรรมัทธสังฆานี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้โดยย่ อ, อกเกินไปก็เมื่อท่านจะนำนิยะอันพิสดารมาเพื่อแสดงเนื้อความแห่งภาวนาวิธีทั้งสองนั้นก็จะพึงเยินเย้อเกินไปเพราะเหตุนั้นแม้ข้าพเจ้าก็จกไม่ทำภาวนาวิธีนั้นให้พิสดาร ข้อว่ายธทาเปสมุขหิตังข้าวามว่าในการใดบริก ร, รมนิมิตนั้นเป็นอันจิตกำหนดได้ดีแล้วด้วยอำนาจภาวนาตามลำดับที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นข้อว่ามโนทวาระสะอาปาทะมาคตังข้าวามว่าเมื่อพระโยคาวจรหลับตาหรือไปในที่อื่นมณสิการอยู่นิมิตนั้น เป็นเช่นดวงกสินนั่นเองย่อมมาปรากฏแก่โชวนาจิตที่เกิดทางมโนทวารบทว่าสมาธิยติความว่าภาวานานั้นย่อมตั้งมั่นโดยถึงความที่จิตมีอารมณ์แน่่โดยพิเศษว่าด้วยอำนาจจิตตั้งมั่นแม้บุคคลก็ย่อมเป็นผู้ตั้งมั่นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคําว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นบทว่าตปฏิภาคังได้แก่เหมือนกันกับอุคขะนิมิตขวามจริงเพราะเหตุที่เหมือนกันกับอุคหะนิมิตนั้นนั่นเองอารมณ์นั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าปฏิภาคานิมิต แต่ปฏิภาคนิมิตนั้นย่อมเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ยิ่งกว่าอุกหะนิมิตบทว่าวัตถุธรรมวิมุตติตังขวามว่าอารมณมนั้นพ้นแล้วจากปรมตถ ธ, ธรรมหรือพ้นแล้วจากวัตถุธรรมคือจากกสินที่อยู่ในดวงกสินชื่อว่าสำเร็จแต่ภาวนาเพราะบังเกิดด้วยภาวนาบทว่าสมาปิตัง ได้แก่แน่วแน่สนิทดีข้อว่าตะโตปัตถายะได้แก่ตั้งแต่ปฏิภาคนิมิตรเกิดขึ้นความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถในการน้อมนึกถึงองค์ชาญกลับไปกลับมาไม่เลยไปจากชวนจวว ะ, วะจิตสี่ดวงหรือห้าดวงและพหวังกจิตสองดวงหรือสามดวง ในลำดับต่อจากอาวัชนจิตที่เกิดขึ้นในอารมณ์แต่ละอย่างในองค์ฌานทั้งห้าชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการนึกความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถจะเข้าฌานได้ในลำดับต่อจากอาวัชนจิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่เลยไปจากพวังคจิตสองถึงสามดวง ในลำดับต่อจากความเป็นผู้ประสงค์จะเข้าฌานชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌานความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถจะตัดกำลังแห่งผวังคจิตแล้วหยุดฌานไว้ได้ตามเวลาที่กำหนดดุดเขื่อนกั้นกระแสน้ำในแม่น้ำซึ่งมีกระแสน้ำเชี่ยวฉะนั้นความเป็นผู้ภาาเพียงรักษาชวนจิตจากการตกเป็นผวังคจิต ชื่อว่าขวามเป็นผู้ชํานาญในการอธิษฐานความที่พระโยคาวะจอนเป็นผู้สามารถออกจากฌานไม่เลยเวลาตามที่กําหนดไว้ชื่อว่าขวามเป็นผู้ชํานาญในการออกอีกอย่างหนึ่งความที่พระโยคาวะจอนเป็นผู้สามารถหยุดฌานไว้ไม่ให้เลยไปจากเวลาตามที่กําหนดไว้ชื่อว่า ความเป็นผู้ชำนาญในการอธิษฐานความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถออกจากฌานได้ด้วยอำนาจเวลาตามที่กำหนดไว้ไม่ออกจากภายในเวลาที่กำหนดไว้ชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการออกเพราะเหตุนั้นพอดีไม่ต้องให้พิสดารมากนะัก ส่วนความเป็นผู้ชํานาญในการพิจารณาสําเร็จแล้วด้วยความเป็นผู้ชํานาญในการน้อมนึกนั่นเองความจริงชวนาจิตทั้งหลายในลําดับต่อจากอาวชนะจิตนั่นแหละชื่อว่าชวนาจิตเป็นเครื่องพิจารณาข้อว่าวิตรกาธิโอลาริกังคังปหานายะได้แก่เพื่อองค์ชาญที่หยาบกว่าทุติยะชาญเป็นต้น มีวิตกเป็นอาธิไม่เกิดขึ้นในขณะแห่งฌานบทว่าปัทะทะหันโตได้แก่ทำบริกรรมอยู่บันดิตพึงเห็นความหมายว่าก็อุปจารภาวนาแห่งพระโยคาวจรนั้นชื่อว่าสำเร็จแล้วจำเดิมแต่การข่มความติดใจในวิตกเป็นต้นบทว่ายถารหังได้แก่เหมาะ แกอารมณ์มีกสินเป็นต้นที่ประกอบในฌานานั้นเพราะพระโยคาวจรไม่สามารถจะเพิกอากาศกสินได้ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวคำว่าอากาศวัดวัชิเตสุบทว่ากสิ น, นังได้แก่ปฏิภาคณิมิตแห่งกสินบทว่าอุคาเตตวาได้แก่ยกขึ้นด้วยอำนาจไม่ใส่ใจถึง ข้อว่าอนันตะวะเสนบริกรม ร, กรมังกรนตัสสะขวามว่าเมื่อพระโยคาวจรกระทําบริกรรมปรารบถึงอากาศว่าอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แต่จะทําบริกรรมว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดดังนี้อย่างเดียวหาไม่ได้แม้ในวิญญาณัญจายตนาชานก็มีนัยยะอย่างนี้ ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าการที่พระโยคาวจรแม้ไม่กล่าวว่าไม่มีที่สุดดังนี้แล้วกระทาในใจว่าอากาศอากาศวิญญาณวิญญาณดังนี้ก็ควรข้อว่าสตเตเมตังปนิตเเมตันติปริกรร ม, มังกรณตัสสะขวามว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญบริกรรมอยู่ว่า อรูปฌานที่สามนี้สงบอรูปฌานที่สามนี้ประนีดดังนี้เพราะอารูปฌานที่สามมีเพียงขวามไ ม, มีเป็นอารมณ์บทว่าอาวะเสเสสุจะขวามว่าในบรรดากรรมฐานสิบคือในกรรมฐานแปดมีพุทธานุสติเป็นต้นในอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุววัฏฐานหนึ่ง ที่เหลือจากกรรมฐานอนนามาซึ่งอัปนาสามสิบมีกสินเป็นต้นข้อว่าปริกรร ม, มังกดตวาความว่าทำบริกรรมโดยวิธีดังกล่าวแล้วเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้ข้อว่าสาธุกามุคคหิเต ข่าวว่าเมื่อพระโยคาวะจอนกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีด้วยอานาจข่าวว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปโน้มไปและโอนไปในพุทธคุณเป็นต้นข้อว่าปริกรรมมันจะสมาธิยติขวามว่าบริกรรมภาวนาตั้งมั่นดีแล้วย่อมสำเร็จข้อว่าอุปจาโรโจะอุป ป, ปัชชติขวามว่า และอุปจารสมาธิย่อมเกิดขึ้นข่มนิวรณเป็นต้นได้นัยยะแห่งกรรมฐานสี่สิบประการจบแล้วข้อว่าอภพิญญาวเสนปวัตตมานังขวามว่าเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจโลกิยะอภพิญญาห้ามีอิทธิวิทยาณที่เรียกว่าอภพิญญาเป็นต้นโดยอาจว่า เป็นเครื่องรู้ยิ่งคือโดยพิเศษข้อว่าอภิญญาปาทกะเปวัธหิตวาขวามว่าเมื่อพระโยคาวจรฝึกจิตโดยอาการส4สอย่างมีเกษนานุโลมเป็นต้นทำให้ควรแก่อภินิหารเข้ารูปาวจรปันจมชฌานนั่นแลเพราะประกอบด้วยอุเบคาและเอกคตา และเพราะเหมาะสมคือซึ่งฌานที่ห้านั้นอันมีปัทวีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นบาทคือเป็นที่ตั้งมั่นแห่งอภิญญาแล้วออกจากฌานที่ห้านั้นข้อว่าอาทิตไถยาธิกมมามวัชิตวาคลาวว่าน้อมนึกถึงรูปเป็นต้นซึ่งมีจำนวนตั้งร้อยเป็นอาทิ ที่ตนพึงอธิษฐานคือพึงกระทาให้พิเศษในคราวบริกรรมอิทธิวิทยานน้อมนึกถึงเสียงซึ่งแยกเป็นเสียงดังและเสียงค่อยในคราวบริกรรมทิพโสตยานน้อมนึกถึงจิตแยกเป็นจิตที่มีราคะเป็นต้นของผู้อื่นด้วยการเห็นรูปซึ่งอยู่ในหทัยในคราวบริกรรมเจโตปริย า, ยาน น้อมนึกถึงขันที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนแยกเป็นจุติจิตเป็นต้นในพบก่อนในคราวบริกรรมปุกเพนิวาสานุสติยานหรือน้อมนึกถึงรูปที่อยู่ในที่แสงสว่างแผ่ไปถึงในคราวบริกรรมทิพจักขุยานข้อว่าปริกรรมมังกรณตัสสะข้าว่ า, มวาเมื่อทำบริกรรมอยู่โดยนัยเป็นต้นว่า เราจงเป็นร้อยคนเราจงเป็นพันคนดังนี้บทว่ารูปาทีสุได้แก่ในอารมณ์ทั้งหลายแยกเป็นรูปฌานที่เป็นบาทเสียงจิตของผู้อื่นและขันที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์แห่งบริ ก, กรรมขวามจริงในบรรดาอารมณ์มีรูปารมเป็นต้นเหล่านี้ อันดับแรกอิทธิวิทยานมีอารมณ์หกประการคือฌานที่เป็นบาทหนึ่งกายหนึ่งอารมณ์สี่มีรูปารมณ์เป็นต้นในที่เป็นที่อธิฐานรูปารมณ์เป็นอาทิในบรรดาอารมณ์หกนั้นฌานที่เป็นบาทเป็นอดีตยอย่างเดียวกายเป็นปัจจุบัน อารมณ์สี่มีรูปารมณ์เป็นต้นนอกนี้เป็นปัจจุบันก็มีเป็นอนาคตก็มีส่วนทิพยาโสตยานมีเสียงอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็เสียงนั่นแลเป็นปัจจุบันอาจารย์ผู้แต่งมหาอัตถกาถาทั้งหลายกล่าวว่าแต่ประจิตตวิชาญาณ ย่อมมีเฉพาะจิตที่เป็นไปในสามการดวงใดดวงหนึ่งบรรดากามาวจรจิตเป็นต้นที่เป็นไปในอดีตเจ็ดวันและในอนาคตเจ็ดวันเป็นอารมณ์ส่วนอาจารย์ทั้งหลายผู้รตนาฟังคหะกล่าวว่าประจิตวิชาญาณนั้น มีขันธ์สี่เป็นอารมณ์ดังนี้ก็มีถามว่าก็ปรัจิตวิชญาณนั้นจะพึงมีจิตปัจจุบันเป็นอารมณ์ได้อย่างไรจิตที่อาวชนะจิตรับมาแล้วนั่นแหละย่อมเป็นอารมณ์ของจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ได้เจ็ดวันก็เมื่ออาวชนะจิตทําจิตปัจจุบัน ให้เป็นอารมณ์แล้วดับลงแม้จิตของผู้อื่นก็ดับลงมีเวลาเท่ากับอาวัชนะจิตนั้นนั่นเองมิใช่หรือเพราะเหตุนั้นอาวัชนะจิตกับชวนจิตไม่พึงมีอารมณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจการก็ฉนยเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงพระประสงค์ ชาวนาจิตกับอาวัชนจิตในวิธีอื่นจากวิธีแห่งมรคจิตและผลและจิตว่ามีอารมณ์ต่างกันเล่าตอบว่าอันดับแรกในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์ประกอบความว่าประจิตวิชาญาณนั้น มีจิตปัจจุบันคือสัน ต, ติและอัตนะเป็นอารมณ์ส่วนท่านพระอานันทาาจารย์กล่าวว่าท่านผู้บำเพ็ญเพียรออกจากฌานที่เป็นบาดแล้วไม่ทำการจำแนกจิตปัจจุบันเป็นต้นทำบริกรรมล้วนๆว่าเราจะรู้จิตของผู้นี้ดังนี้เท่านั้นเข้าฌานที่เป็นบาดซ้ำอีก ออกจากฌานที่เป็นบาทนั้นแล้วคำนึงถึงจิตโดยไม่แปลกกันเลยย่อมรู้แจ้งจิตของผู้อื่นได้ด้วยเจโตปริยญาณในลำดับบริกรรมสหรือสี่ครั้งคล้ายกับผู้ที่เห็นรูปได้ด้วยทิพะจักษุฉะนั้นภายหลังจึงทำการกำหนดรู้ถึงจิตที่มีราคะเป็นต้นได้ด้วยกามาวจรจิต คล้ายกับผู้ทําการกําหนดรู้ถึงสีเขียวเป็นต้นได้ฉะนั้นก็จิตทั้งหลายมีบริกรรมจิตเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดมีจิตที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์เท่านั้นอันหนึ่งในที่ไม่ประสงค์นั่นแหละย่อมไม่มีความผิดคือความที่ชวนจิตกับอาวชนาจิตมีอารมณ์ต่างกันเพราะจิตทั้งหลาย มีบริกรรมจิตเป็นต้นเป็นไปโดยอาการไม่ต่างกันปุเพนิวาสานุสติยานมีขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนนามและโคษที่เนื่องกับขันธ์และพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนที่พระจักกุยานมีรูปซึ่งเป็นปัจจุบันอย่างเดียวเป็นอารมณ์แล นี้เป็นการจำแนกอารมณ์ของอภิญญาจิตห้าเหล่านี้ข้อว่ายธถาราหมัเบเปติได้แก่ย่อมแน่วแน่โดยสมควรแก่บริกรรมนั้นนั้นบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ หวังจะแสดงความต่างแห่งอภิญยาทั้งหลายโดยประเภทแห่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นแลจึงกล่าวว่าอิทธิวิทาดังนี้เป็นต้นอภินยาชื่อว่าอิทธิวิทาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีประเภทแห่งฤทธิ์มีการอธิษฐานเป็นต้นชื่อว่าทิพโสตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่า โสตะนั้นด้วยชื่อว่าเป็นทิพย์เพราะเป็นเช่นกับโสตของพวกเทวดาผู้เป็นทิพย์และเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของทิพพระวิหารธรรมด้วยชื่อว่าประจิตตวิชาญาณเพราะอธุวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันพระโยคาวจรรู้แจ้งจิตของผู้อื่น การระลึกถึงหนึ่งหนึ่งถึงขันเป็นต้นในปางก่อนคือในอดีตพบด้วยอำนาจขันที่อยู่ในสันดานของตนและด้วยอำนาจขันอันเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอำนาจอารมณ์ชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติยานชื่อว่าทิพยจักสุเพราะรทวีเคราะห์ว่าจักขุนั้นด้วยชื่อว่าเป็นทิพย โดยนัยดังกล่าวแล้วด้วยแต่เฉพาะทิพยาจักกุยานท่านเรียกว่าจุตูปป า, ปาตายานแม้ยถากรรมโมปะคยานและอนาคตังสยานก็ย่อมสำเร็จได้ด้วยอำนาจทิพยจักกุยานนั่นเองขวามจริงยานเหล่านั้นไม่มีบริกรรมเป็นแผนแกหนึ่งบัณฑิต พึงเห็นความหมายว่าบรรดาญาณทั้งสองนั้นอันดับแรกสาหรับอนาคตังสยานมีจิตและเจตสิกที่เป็นไปในอนาคตต่อจากจิตวันไปและมีจิตและเจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปตั้งแต่วันที่สองเป็นอารมณ์ข้ามจริง อาณาคตังสยา น, นั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามีคติเหมือนสพันยุตยานในอารมณ์ของตนส่วนยะถากรรมโมปะคยานมีเจตนาในวงเล็บจิตกล่าวคือกุศลลจิตและอกุศลลจิตหรือขันท์ทั้งสี่เป็นอารมณ์ขวามต่างกันด้วยอำนาจอารมณ์ชื่อว่าโคจรพภท นัยยะแห่งสมรรกรรมฐานจบแล้วธรรมชาติที่ชื่อว่าวิปัสนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเห็นสังขารธรรมโดยอาการต่างๆด้วยอำนาจอนิจจลักษณะเป็นต้นได้แก่ภาวนาปัญญามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้น ฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญวิปัสสนานั้นหรือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญคือวิปัสสนานั้นเพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานนั้นเชื่อมความว่าพึงทราบวิสุท ธ, ธิสังหะโดยทำเจ็ดอย่างในวิปัสสนากรรมฐานนั้น ที่ชื่อว่าอนิจจลักษณะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าลักษณะคือขความเป็นสภาะวะไม่เที่ยงอันพระโยคาวจรนพึงกาหนดหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันพระโยคาวะจรนกาหนดธรรมที่ชื่อว่าทุขลักษณะเพระาะอัตวิเคราะห์ว่าลักษณะคือขความเป็นทุกกล่าวคือขความบีบคั้นคือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปความไม่มีแห่งสภาวะที่ผู้อื่นกำหนดแล้วและแห่งตนชื่อว่าความเป็นอนัตตาชื่อว่าอนัตตลักษณะเพราะอาิวิเคราะห์ว่าลักษณะคือความเป็นอนัตตานั้นการพิจารณาเห็นเนืองๆถึงไกรลักษ ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นยานที่เป็นไปด้วยอํานาจพิจารณาธรรมมีขันเป็นต้นโดยความเป็นกระลาบชื่อว่าสัมมาสนาญาณยานที่เป็นไปด้วยอํานาจพิจารณาเนืองๆถึงขวามเกิดขึ้นและขวามดับไปแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าอุทย พ, พยาญาณ ยานที่ปล่อยวางขความเกิดขึ้นแล้วเป็นไปในขความดับชื่อว่าพังคยานยานที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นเนืองๆถึงสังขารทั้งหลายโดยขความเป็นของหน้ากลัวชื่อว่าพยาญาน ยานที่เป็นไปด้วยอํานาจเพ่งถึงสังขารทั้งหลายที่เป็นของน่ากลัวซึ่งตนเห็นแล้วโดยความเป็นโทษชื่อว่าอาทีนวายานยานที่เป็นไปด้วยอํานาจขาวามเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วชื่อว่านิพพิทายาน ยานที่เป็นไปด้วยอํานาจความเป็นผู้เบื่อนายแล้วต้องการจะหลุดพ้นจากสังขารธรรมทั้งหลายชื่อว่ามุนจิตุกัมมยตายานยานที่เป็นไปด้วยอํานาจกาหนดสังขารทั้งหลายซ้ําอีกเพื่อจะให้ถึงอุบายแห่งการหลุดพ้นชื่อว่าปาติสังขายานยานที่เพ่งเฉย ด้วยอำนาจเว้นความกลัวและความเพลิดเพลินในธรรมที่ตนพิจารณาแล้วทั้งหลายได้เด็ดขาดเป็นไปชื่อว่าสังขารุเปกขายานยานที่คล้อยตามความสำเร็จกิจแห่งวิปัสสนาญาณ9้าข้างต้นและโพธิปัขิยธรรม37ประการสูงขึ้นไปชื่อว่าอนุโลมายาน สภาวะธรรมชื่อว่าสุญญตะเพราะว่างจากตนสภาวะที่ชื่อว่าวิโมกเพราะอัดว่าหลุดพ้นจากสังโยตเป็นต้นสภาวะที่ชื่อว่าอนิมิตตาเพราะไม่มีนิจจนิมิตเป็นต้นสภาวะที่ชื่อว่าอั ป, ปะนิหิตะเพราะไม่มีสิ่งที่สัตว์ปรารถนาคือกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นคือตัณหา ธรรมชาติที่ชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตวิเคราะห์ว่ายังผู้รักษาให้พ้นจากทุกขมีอบายภูมิเป็นต้นชื่อว่าศีลเพราะอัตว่าเป็นที่ประชุมและเป็นเครื่องรองรับและชื่อว่าสังวรเพราะ เป็นเครื่องสัมรวมจากทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคือปาติโมกนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปาติโมคะสังวรศีลศีลที่เป็นไปด้วยอำนาจความสัมรวมอินทรีย์ทั้งหลายมีมะินนซีเป็นที่หกในรูปารมณ์เป็นต้นชื่อว่าอินทริยสังวรศีลที่เป็นไปด้วยอำนาจความบริสุทธิ์ แห่งอาชีวะโดยเว้นจากมิจฉาชีพได้เด็ดขาดชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลศีลที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายคือศีลเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นโดยความที่ปัจจัยเหล่านั้นมีอาชีวะปาริสุทธิศีลเป็นประโยชน์ชื่อว่าปัจจยะสันนิสิตาศีล ชื่อว่าปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่เพราะมีสี่ประการและเพราะปาริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจการแสดงขวามสมรวมการสแสวงหาและการพิจารณาสมาธิชื่อว่าจิตตวิสุทธิเพราะเป็นเครื่องชําระจิตให้หมดจดด้วยอำนาจการยังจิตให้ถึงขวามเป็นธรรมชาติปราศจากนิวรณ์ หรือเพราะทรรมอธิบายว่าเพราะทรงสแสดงโดยโยกจิตขึ้นเป็นประธานและเพราะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์การกำหนดคือการกำหนดถือเอาด้วยอำนาจลักษณะเฉพาะตนเป็นต้นถึงลักษณะเป็นอาทิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ ว่าสภาวะที่เสมอกันแห่งธรรมทั้งหลายชื่อว่าลักษณะหน้าที่และสมบัติชื่อว่ากิจอาการที่ปรากฏและผลชื่อว่าปัจจุปัฐานโดยพิสดารโดยนัยะเป็นต้นว่าภาษะมีลักษณะถูกกองอารมณ์ปัตวีธาตุมีลักษณะเข้นแข็ง และโดยย่อดโดยนัยยะเป็นต้นว่านามมีลักษณะน้อมไปรูปมีลักษณะเปลี่ยนแปลดังนี้ได้แก่การกาหนดทุกขสัตว์ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิพระธรรมอธิบายว่าชื่อว่าทิฏฐิเพราะเห็นว่าชื่อว่าตนอื่นจากนามและรูปย่อมไม่มีและชื่อว่าวิสุทธิเพราะชําระมูลทินคือ ขวามเห็นว่าเป็นต้นได้บทว่าปัจจยะปริฆะโหเป็นตน้นข่วามว่าการกําหนดปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นตน้นที่สําเร็จโดยประจักษ์เป็นอาธิแห่งขวามเป็นไปแห่งนามรูปในอัตตาสามด้วยอํานาจที่ทั่วไปและไม่ทั่วไปอย่างนี้ว่าอันดับแรก นามรูปย่อมบังเกิดในปฏิสนธิการด้วยอำนาจเหตุคืออวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมรูปย่อมบังเกิดในประวัติการด้วยอำนาจปัจจัยคือกรรมจิตอุตุและอาหารอันหนึ่งนามย่อมบังเกิดด้วยอำนาจจากักขุภาษาทรูปและรูปารมณ์เป็นต้น และปัจจัยมีนิสยปัจจัยและอารัมมณะปัจจัยเป็นอาทิแต่เมื่อว่าโดยพิเศษกุศลละจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยความถึงพร้อมแห่งเหตุสี่ประการมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นอกุศลละจิตย่อมเกิดขึ้นโดยปริยายอันตรงกันข้ามจากกุศลละจิตนั้นวิปากจิตย่อมเกิดขึ้น ด้วยอำนาจกุศลจิตและอกุศลลจิตอาวชนาจิตย่ อ, ตย อ, ตยอมเกิดขึ้นด้วยอำนาจพะวังคจิตเป็นต้นและกิริยาชวนาจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสันดานของพระขีนาศพดังนี้ได้แก่การกําหนดสมุทัยสัตว์ชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิเพราะธรรมอธิบายว่าชื่อว่าวิสุทธิ เพราะเป็นเครื่องชำระมนทินคือทิฏฐิอันหาเหตุไม่ได้และมีเหตุไม่สมำเสมอกันและชื่อว่ากังขา ว, วิจารณะเพราะข้ามพ้นคือก้าล่วงความสงสัยสิบหกอย่างมีอาธิว่าในอดีตการนานมาแล้วเราได้มีแล้วหรือหนอแลดังนี้ และความสงสัยแดอย่างมีอาธิว่าความสงสัยในพระาศาสดาต่อจากนั้นคือต่อจากการกำหนดปัจจัยไปการที่พระโยคาวจรนผู้ปรารภนายยมีขันเป็นต้นคือปรารภนายยมีขันเป็นต้นซึ่งมาแล้วด้วยอำนาจขันห้าทวารหกอารมหก และทรรมที่เป็นไปในทวารหกเป็นต้นในานามและรูปอันต่างด้วยประเภทแห่งนามรูปที่เป็นอดีตเป็นต้นซึ่งนับเนื่องในภูมิสามเว้นโลกุตระเสียที่ตนกําหนดแล้วอย่างนั้นคือที่ตนกําหนดแล้วด้วยอำนาจการกาหนดลักษณะเฉพาะตนเป็นต้นและด้วยอานาจการกาหนดปัจจัย ย่อเข้าด้วยอำนาจกรลาบคือด้วยอำนาจหมวดแล้วจึงพิจารณาคือไคร้ครนถึงไตรลักษ์ด้วยสมณมยานคือด้วยญาณเป็นเครื่องพิจารณากลาบซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาไตรลักษ์กล่าวคืออาการที่มีแล้วไม่มีอาการที่บีบครั้นคือขวามเกิดขึ้นและขวามเสื่อมไป และอาการที่ไม่เป็นไปในอำนาจด้วยอำนาจอัฏฐานะที่เป็นอดีตเป็นต้นด้วยอำนาจขวามสืบต่อที่เป็นอดีตเป็นต้นและด้วยอำนาจขณะที่เป็นอดีตเป็นต้นโดยนัยยว่ารูปใดที่เกิดในอดีตรูปนั้นดับไปแล้วในอดีตนั่นเองรูปใดจะมีในอนาคต แม้รูปนั้นก็จักดับไปในอนาคตนั่นเองรูปใดเป็นปัจจุบันรูปนั้นยังไม่ถึงอนาคตจักดับในปัจจุบันนี้เองรูปภายในรูปภายนอกรูปละเอียดรูปหยาบรูปเลวและรูปประนีเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปชื่อว่าไม่เที่ยงคือ ใครรไม่พึงปรารถนาได้แก่ไม่พึงยึดมั่นด้วยอำนาจเป็นอัตตาเป็นต้นเพราะอัจว่าสิ้นไปคือเพราะถึงขวามสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุก์เพราะอาจว่าเป็นสิ่งน่ากลัวคือเพราะกระทำขวามน่ากลัวชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าไม่มีแก่นสารคือเพราะไม่มีสาระในตนเป็นอาธิดังนี้ และโดยนัยเป็นต้นว่าจักสุไม่เทียเทะะะเท่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละมรณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละรูปไม่เทียเทททยเท่ยงเป็นทุกะะข์เป็นอนัตตาละทำทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละจักกุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละมโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ก็ เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเนืองๆถึงความเกิดขึ้นและความดับไปในสังขารเหล่านั้นนั่นแลซ้าอีก ด, ด้วยอุทย พ, พ ย, ายาัญาณโดยอาการห้าสิบท้วนด้วยอำนาจเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปขันละสิบคือความเกิดขึ้นโดยอาการห้าอย่าง ความสื่อมัยโดยอาการห้าอย่างคือด้วยอำนาจปัจจัยสี่อย่างด้วยอำนาจขณะหนึ่งอย่างในขันแต่ละขันคือในรูปประขันเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลในขณะปัจจุบัน ไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะอย่างนี้ว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหากรรมและอาหารเกิดรูปจึงเกิดอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตันหากรรมและอาหารดับรูปจึงดับดังนี้ แม้ในเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันก็นำอาหารออกแล้วใส่ผัสสะเข้าไปอย่างนี้ว่าเพราะผัสสะเกิดเพราะผัสสะดับเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลในขณะปัจจุบัน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 ไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะปรารบวิปัสนาแล้วเมื่อวิปัสณูปกิเลสิบมีโอภาษเป็นต้นคือโอภาษกล่าวคือแสงสว่างที่เปล่งออกจากสรีระมีวิปัสนาจิตเป็นสมุดฐานหนึ่ง ปีติห้าอย่างมีกุธรกาปีติเป็นต้นอันเกิดร่วมกับวิปัสนาจิตหนึ่งปัสสติสองอย่างด้วยสามารถแห่งกายปัสสติและจิตตะปัสสทิอันมีลักษณะเข้าไปสงบขวามกระวนกระวายทางกายและทางจิตซึ่งเป็นอย่างนั้นหนึ่งอธิโมกกล่าวคือสัตทินีที่มีกำลังหนึ่ง ปัหะกล่าวคือวิริยะสัมโพชงอันยังกิจแห่งส ม, มบัติทานให้สำเร็จหนึ่งสุขอันประนีตยิ่งนักหนึ่งญาณที่เป็นวิปัสนาในพระไตรลักษณ์เช่นกับด้วยวชิวระที่พระอินกวัดแกว่งไปหนึ่งสติอันท่านเรียกว่าอุปทานสามารถระลึกถึงกิต ที่ตนทำไว้นานเป็นต้นได้อันเป็นสติปัฏฐานหนึ่งอุเบกขาแม้ทั้งสองคือตัตตะมัชตุเปกขาอันเป็นอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดร่วมกันกับวิปัสสนาอันเป็นไปโดยชอบและอาวัชญุเปกขาในมโนทวานหนึ่ง เมื่อวิปัสสูปกิเลธ ท, ทั้งเก้ามีโอภาษเป็นต้นดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นแล้วขวามติดใจในรูปอันเป็นตันหาอย่างละเอียดกระทําความอาลัยในโอภาษเป็นต้นเหล่านั้นโดยในยะมีอาธิว่าโอภาษเช่นนี้ ไม่เคยบังเกิดแก่เราในการก่อนแต่การนี้เลยดังนี้หนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ถือเอาว่าโอภาษเป็นต้นเช่นนี้ไม่เคยบังเกิดแล้วแก่เราเลยเราเป็นผู้บรรลุมรรคเป็นผู้บรรลุผลแน่นอนแล้วดังนี้ แล้วกําหนดคือตัดสินลักษณะทางได้อย่างนี้ว่าโอภาสเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ทางเพราะเป็นที่ตั้งแห่งกันหาและมานะที่แท้เป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาเท่านั้นส่วนวิปัสสนาญาณอันดำเนินไปสู่วิถีอันพ้นขาดจากอุปกิเลสแห่งวิปัสสนานั้นเป็นทางดังนี้ ชื่อว่ามักคามัคยาณทัศนวิสุทธิเพราะรู้เพราะเห็นทางและมิใช่ทางและเพราะยังความสำคัญว่าทางในสิ่งที่มิใช่ทางให้บ่รูสุดได้บทว่ายาวานุโลมาได้แก่จนถึงสัจจานุโลมยาน ข้อว่านาววิปัสสนาญาณานิได้แก่ญาณเก้าเหล่านี้คือญาณที่รู้ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าอุทยัพยาญาณญาณที่ปล่อยความเกิดขึ้นแล้วเพ่งถึงเพียงความดับอย่างเดียวชื่อว่าพังคญาณ ยานที่เพ่งถึงขันทั้งหลายที่ปรากฏด้วยอำนาจความแตกสลายโดยอาการหน้าสะพึงกลัวดุดคนผู้มองดูสัร้ายมีราชสีเป็นต้นโดยอาการหน้าสะพึงกลัวฉะนั้นชื่อว่าพญยายานยานที่เพ่งถึงขันทั้งหลายที่เล็งเห็นแล้วเช่นนั้นว่ามีอาการเป็นโทษดุดชนผู้มองดูเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วว่ามีอาการเป็นโทษฉะนั้นชื่อว่าอาทีนวายาน ยานที่เป no ็นไปด้วยอำนาจความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วชื่อว่านิพเพทยานยานที่เป็นไปด้วยอำนาจความต้องการจะพ้นจากธรรมอันเป็นไปในภูมิสามเหล่านั้นเหล่านั้นดุดปลาเป็นต้นต้องการจะพ้นจากขายเป็นต้นฉะนั้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยตายาน ยานที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาบ่อยๆแม้ในสังขารธรรมทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วเพื่อจะให้ลุถึงอุบายแห่งความหลุดพ้นเปรียบเหมือนนกทะเลฉะนั้นชื่อว่าปฏิสังข า, น, า, านุปัสสนาญาณยานที่เป็นไปโดยอาการวางเฉยในสังขารธรรมเหล่านั้นที่มีโทษอันตนเห็นแล้วดุดบุรุษ ผู้ยาขาจากพรนรยาฉนั้นชื่อว่าสังขารุเปกขายานยานที่เก้ากล่าวคือสัจจานุโลมิกายานซึ่งเป็นไปในการก่อนแต่โคตรภูยานในมักควิถีโดยอนุโลมแก่วิปัสนาญาณแปดที่เป็นไปแล้วข้างต้นโดยมีอ น, นิจจลักษณะเป็นต้นเป็นอารมณ์ และแก่โพธิปักคียธรรม37ประการอันพระโยคาวาจรจะพึงบรรลุในขณะแห่งมรรคจิตเบื้องสูงชื่อว่าอนุโลมยานดังนี้ชื่อว่าปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุทธิเพราะเป็นปฏิปทาแห่งญาณทัศ น, นวิสุทธิเพราะอาจว่าเป็นเครื่องรู้ตรายลักษณ์เพราะอาจว่าเป็นเครื่องเห็นตรายลักษณ์โดยประจักษ์และเพราะหมดจดจากธรรมอันเป็นข้าศึก นยะแห่งวิสุธทธิหกประการจบแล้วขวามแก่กล้าแห่งวิปัสนาได้แก่สังขารุปเปกขาญาณวิปัสนาจิตสองถึงสามดวงมาถึงคืออาศัยสังขารุปเปกขาญาณ น, นั้นข้อว่าอิธานิอัปนาอุปปัชชิตสติขวามว่าในขณะที่ควรจะกล่าวว่า โลกุตระมักกล่าวคืออัปนาจักเกิดขึ้นในบัด น, นี้บทว่ายังกินจิขวามว่าซึ่งลักษณะอย่างหนึ่งในบรรดาลักษณะทั้งสามที่สังขารุปเปขายานกําหนดได้แล้วชื่อว่าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งวิปัสนาที่ถึงขวามเป็นยอดโดยถึงที่สุดแห่งวิปัสนาชื่อว่าเป็นไปกับด้วยอนุโลมเพราะ เป็นไปกับด้วยอนุโลมยานวิปัสสนานั้นนั่นแลชื่อว่าสังขารุเปขาเพราะวางเฉยในสังขารทั้งหลายชื่อว่าวุ ธ, ธานาคามินีเพราะอัตวิเคราะห์ว่าถึงทางที่เรียกว่าวุฐธธานเพราะออกจากอบายภูมิเป็นต้นและจากนิมิตคือสังขารตามสมควรบทว่าอภิสัมโพนตังได้แก่บรรลุยู บทว่าปริชานันโตได้แก่กําหนดรู้ว่าทุกมีประมาณเท่านี้หาหย่อนหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่บทว่าสัจจโกรรโตได้แก่กระทําให้เห็นประจักษ์ด้วยอํานาจกระทําให้เป็นอารมณ์บทว่ามัคคะสัจจภาวนาวเสนาขวามว่าด้วยอํานาจเป็นสชัชตาปจจัยเป็นต้นยังสัจจะที่สี่กล่าวคือมัคคสัตย์ได้แก่กล่าวคือองค์มรคที่ประกอบร่วม ให้เจริญยานแต่ละอย่างให้สำเร็จหน้าที่ได้สี่ประการอันบัณฑิตพึงรับรองเพราะแสดงถึงหน้าที่สี่อย่างมีการไม่ไส้เป็นต้นแห่งประทีปเป็นอาทิและเพราะพระดำรัสที่มาเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ดังนี้ข้อว่าทเวตีนิ้ ภระจิตตานิปวติตตวาขวามว่าผลละจิตสองดวงหรือสามดวงเป็นธรรมชาติสงบระงับขวามกระวนกระวายภายในสันดานแล้วเป็นไปโดยเหมาะสมแก่ความเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตในเมื่อพระโยคาวจรตัดแม้กิเลตได้เด็ดขาดแล้วดุดน้ำที่บุคคลเอาหม้อตักรถ ในที่ซึ่ง น, นำไฟออกแล้วเพื่อต้องการให้ความร้อนดับไปฉะนั้นมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะความเป็นไปแห่งผลและจิตเหล่านั้นบทว่าปัจเจเวคณาญาณนานิขความว่าญาณฝ่ายกามาวจรอันมีมรรจิตและผลละจิตเป็นต้นเป็นอารมณ์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้บัดนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงภูมิแห่งปัจจเวคณาญาจึงกล่าวคำว่ามักคังพลันจะดังนี้เป็นต้นในบรรดามักเป็นต้นนั้นพระอริยบุคคลผู้เป็นบัณฑิต ย่อมพิจารณาถึงมักว่าเรามาแล้วด้วยมักนี้ต่อแต่นั้นย่อมพิจารณาถึงผลแห่งมักนั้นว่าเราได้อานิสงฆ์ชื่อนี้แล้วและต่อแต่นั้นพระเรียบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมพิจารณาถึงพระนิพพานว่าทำชื่อนี้เราทําให้แจ้งแล้วโดยความเป็นอารมณ์ต่อแต่นั้น ย่อมพิจารณาถึงกิเลส ท, ที่ละได้แล้วว่ากิเลสชื่อเหล่านี้เราละได้แล้วพิจารณากิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ว่ากิเลสชื่อเหล่านี้ยังเหลืออยู่ข้อว่าปัจเจเวคติวาณวาขวามว่าพระอริยบุคคลผู้เสขะบางท่านย่อมพิจารณาบางท่านย่อมไม่พิจารณา ที่บายว่าในบรรดาพระเสขบุคคลทั้งสองพวกนั้นพระเสขบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภพย่อมไม่พิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่จริงอย่างนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะทูลถามถึงกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คาชนิดไหนแล่ที่เป็นไปภายในที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ส่วนการพิจารณากิเลสที่ยังเหลือชื่อว่าย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์เพราะกิเลสทั้งหมดท่านละได้แล้วเพราะฉะนั้นพึงเห็นความหมายว่า ปัจเวกขณะยานมีสิเกอย่างคือของพระเสขบุคคลสามจำพวกสิบห้าอย่างของพระอาหารหันต์สี่อย่างบทว่าฉับพิสุท ธ, ธิกเมนะขวามว่าตามลำดับแห่งวิสุท ธ, ธิที่หกเหล่านี้คือวิสุท ธ, ธิที่เป็นมูลสองประการคือศีลลวิสุท ธ, ธิหนึ่งจิตตวิสุท ธ, ธิหนึ่งวิสุท ธ, ธิที่เป็นตัว 4. ประการด้วยอำนาจทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมักชื่อว่ายานทัสนะวิสุทธิเพราะรู้เพราะกระทาการพิจารณาสัจจะสี่และเพราะหมดจดจากมนทินคือกิเลสทั้งหลายบทว่าเอธะได้แก่ในวิปัสสนากรรมฐานนิเทศแห่งวิสุทธิเจประการจบแล้ว บทว่าตัดฐะได้แก่ในอุเทศนั้นเฉพาะอนุปัสนาอันละอยู่ซึ่งความยึดถือว่าเป็นตนคือความยึดมั่นได้แก่ความถือมั่นในสังขารทั้งหลายอย่างนี้ว่าตนของเรานี้เป็นผู้กระทากรรมและเสวยผลแห่งกรรมเป็นไปว่า อนั ต, ตาชื่อว่าสุญชตานุปัสนาเพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการคือความว่างจากตนเป็นทางแห่งวิโมกคือเป็นประตูแห่งโล ก, กุตระมักและโล ก, กุตระผลกล่าวคือวิโมกด้วยอำนาจความหลุดพ้นจากธรรมอันเป็นฆาสึกเชื่อมความว่าอนุปัสนาที่เป็นไปในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยง ลอยวางคือละอยู่ซึ่งนิมิตคือวิปัลลาดกล่าวคือสัญญาวิปัลลาดจิตตะวิปัลลาดและทิฏฐิวิปัลลาดอันเป็นไปในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงชื่อว่าอะ น, นิมิตานุปัสนาเพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการอันเว้นจากนิมิตวิปัลลาดย่อมเป็นทางแห่งวิโมกอนุปัสนาอันเป็นไปว่าเป็นทุกข์ ปล่อยวางอยู่คือสละอยู่โดยเห็นอาการว่าเป็นทุกข์ซึ่งกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นคือตัณหาได้แก่ความปรารถนาคือตัวตัณหากล่าวคือกามัตัณหาและภวะตัณหาที่เป็นไปในสังขารทั้งหลายโดยนัยเป็นต้นว่านี้เป็นของเรานี้เป็นสุขดังนี้ชื่อว่าอปปนิหิตานุปัสสนา เพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการอันเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องกั้งมัน่นบทว่าตัตสมาขวามว่าเพราะอนุปัสสนาทั้งสามเหล่านี้มีชื่อสามอย่างเหล่านี้จะนั้นถ้าวุฒธธานาคามิหนีวิปัสสนาย่อมเห็นแจ้งโดยความเป็นอนัตตาไซมักย่อมชื่อว่าสุญญาตาวิโมกเพราะได้ชื่อ ด้วยอำนาจธรรมที่เป็นเครื่องมาแห่งมักบทว่าวิปัสนาคมณะวะเสณะได้แก่ด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาแห่งมักและผลกล่าวคือวิปัสนาในคำว่าวิปัสนาคมณะวะเสณนะนี้วิปัสนาและมักชื่อว่าอาคมณะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องมาแห่งมักและผลบทว่ายถาวุตต ะ, ะเยนะ ได้แก่ด้วยอำนาจอนัตตานุปัสนาเป็นต้นที่กล่าวแล้วในการก่อนข้อว่ายะถาสกังภละมุ ป, ปัจชมานำปิข่ามว่าผลของตนของตนอันเป็นผลแห่งมรกรรมที่ได้แล้วแม้เกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ได้ชื่อด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาคือมร ย่อมได้ชื่อสามอย่างด้วยอำนาจทำเป็นเครื่องมาแห่งมรรคและผลคือวิปัสสนาเท่านั้นเพราะมรรคนั้นไม่ประกอบด้วยความเป็นทวารโดยไม่มีความเป็นไปแห่งมรรคในการนั้นบทว่าอารัมพนาวะเสนะความว่าด้วยอำนาจอารมณ์นั้นเพราะปรารบพระนิพพานอันมีชื่อว่าสุญญตะเพราะว่างจากสังขารทั้งปวงชื่อว่า อ น, นิมิตะเพราะเว้นจากสังขานิมิตและชื่อว่าอัปะนิหิตะเพราะเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมัน่นคือตัณหาเป็นไปบทว่าสะระสะวะเสนะขวามว่าด้วยอำนาจคุณของตนเพราะว่างจากราคะเป็นต้นเพราะเว้นจากอารมมีรูปนิมิตเป็นต้น เพราะเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นบทว่าสัพพัฏฐาปิได้แก่ในบรรดามักควิถีและผลสมาบัติวิถีบทว่าสัพเพสัมปิได้แก่ทั้งมัคทั้งผลพระโสดาบันที่ชื่อว่าสัตตกขตุประมะ เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีการถือปฏิสนธิในสุกติภพอันเป็นกามาวจรเจ็ดครั้งคือเจ็ดวาระเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าแต่ท่านหาไปสู่กามภพมีพบที่แปดเป็นต้นไม่มีคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงกลัดไว้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นย่อมไม่ถือเอาพบที่แปด ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าแต่พระโสดาบันสัตตกัตตุประมะยังไปสู่สุกติภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรยิ่งกว่าเจ็ดวาระได้บ้างเพิ่งเห็นความหมายว่าในคำว่าราคะโทสะโมหานังท่านระบุถึงโมหะหมายเอาโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกับราคะ และโทสะพระอริยบุคคลที่ชื่อว่าขีณาศพเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีอาสวะสี่หมดสิ้นแล้วพระขีณาศพชื่อว่าเป็นอัครทักษินายะเพราะความที่ท่านเป็นผู้เลิศในบรรดาท่านผู้ควรทักศินาทั้งหลายบทว่าสัพเพสัมปิคือแก่พระอริยบุคคล แม้ทั้งสี่จำพวกการเข้านิโรธกล่าวคือความไม่เป็นไปแห่งจิตและเจตสิกชื่อว่านิโรธสมาบัติคือการถึงความดับแห่งจิตแล้วอยู่ในปัจจุบันนั่นเองบทว่าอนาคามีนันจะคือแก่พระอนาคามีทั้งหลายเฉพาะผู้มีปกติได้สมาบัติแปด ซึ่งยังดำรงอยู่ในกามภพและรูปภพบและสำหรับพระขีนาศพทั้งหลายก็เหมือนกันบทว่าตัฏฐได้แก่นายนิโรสมาบัติข้อว่ายาวากินจัญญายตนังคันตวาความว่าไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติ ด้วยอำนาจยังสมถ t และวิปัสนาให้ถึงความเป็นธรรมชาติเนื่องกันเป็นคู่อย่างนี้บทว่าอธิไถยาที่กังขวามว่าทาบุพกิจสี่อย่างมีการอธิษฐานเป็นต้นคือการอธิษฐานบริขารมีจีวรเป็นต้นที่อยู่แผนกหนึ่งเว้นบริขารที่เนื่องด้วยกายและเรือนเป็นต้น เพื่อไม่ให้พินาตไปด้วยไฟเป็นต้นการออกก่อนกว่าสงรอคอยและพระศาสดารับสั่งหาการตรวจดูความเป็นไปแห่งอายุสังขารในภายในเจ็ดวันบทว่าปฏิปฏิรัศศาทางได้แก่ ซึ่งความพอใจในรถแห่งการปฏิบัติสมถะและวิปัสนาอันต่างด้วยสุขอันสัมปยุตด้วยญาณและสุขอันสัมปยุตด้วยผลเป็นต้นพัฒ น, นาความป ร, ริเฉทที่9ก้าในดีกาอภิธรรมมสังหะชื่อว่าอภิธรรมัฏฐวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชานี พันนาความสุดท้ายประกรณ์มีวาจาประกอบความว่าประกรณ์ใดอันอุบาสกผู้ชื่อว่านำพระคือมีนามว่านำพระผู้มีกำเนิดคือมีความบังเกิดในตระกูลที่ภัยสาลซึ่งงดงามด้วยจารีตคือมารยาทประจําตระกูล ผู้มีความเกิดขึ้นแห่งคุณมีทานและศีลเป็นต้นอันเจริญยิ่งและบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาซึ่งมีกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์ตั้งไว้แล้วคือปรารถนาแล้วซึ่งความเอ็นดูผู้อื่นได้แก่ความอนุเคราะห์ผู้อื่นซึ่งมีความอย่างรู้ได้ง่าย และการอบรมปัญญาในพระศาสนาเป็นลักษณะปรารถแล้วคือเชื้อเชิญแล้วประกรณั้นจบบริบูรณ์แล้วด้วยเนื้อความมีประมาณเท่านี้ก็ด้วยบุญอันไพบูรนั้นคือที่ขวนขวายในการแต่งประกรณ์ ขอภิกษุทั้งหลายผู้งามด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญาคือบริสุทธ์ด้วยปัญญาในอริยมรรคผู้ชื่อว่าเป็นลักชีเพราะคุณมีศีลเป็นต้นนั้นนั่นเอง จงสำคัญมูลโสมวิหารอันเป็นที่อยู่ประจำของพระสมณะทั้งหลายผู้มีบุญอันมีชื่อเสียงขจรกระจายไปคือเป็นที่ประสิทธิประสทัทความรู้อย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมงคลกล่าวคือความเกิดขึ้นแห่งบุญยศสมบัติตลอดการกาหนดสิ้นสุดแห่งอายุวงเล้เปิดของพระาศาสนาวงเละปิดเทิน บายว่าขอภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำในวิหารนั้นจงเป็นผู้เช่นนี้เทินได้กาอภิธรรมัทธสังหะชื่ออภิธรรมัทธวิภาวินีนี้จบแล้วพระสารีบุตรเถรรูปใดผู้อันคณะสงฆ์ผู้มีความเชี่ยวชาญผู้มีศีลธรรมสังะมะ และสันโดษสมบูรณ์แล้วผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณนับถือพร้อมแล้วโดยชอบถึงความเป็นอาจารย์ในคำพีทั้งหลายมีพระพุทธพจน์เป็นต้นและในคำพีอนเนกประการอันวินยูชนทั้งหลายบูชาแล้วอยู่ในพระเจตวันวิหาร ซึ่งมีปร า, าสาทอันสวยงามน่ารื่นรมและมีป่าที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งอยู่ใกล้เคียงอันพระเจ้าป ร, รักกามพุชะมหานาคทรงรับสั่งให้สร้างถวายในพระนครหลวงชื่อปุรัินครอันน่ารื่นรมก็ ดีกาแห่งอัตถกถาทั้งหลายมีอัตถกถาพระวินัยเป็นต้นซึ่งมีคำพีสารัตทีปนีเป็นประธานอันส่องอยู่ซึ่งอนุภาพแห่งยานของพระสารีบุตรเทระรูปใดในพระศาสนานี้และยังสุภาพชนให้ยินดีรอบด้านโดยการแสดงด้วยดีถึงอัดที่เป็นสาระอันไพเราะ ข้าพระเจ้าใดอาศัยความเอ็นดูของพระสารีบุตรเทระรูปนั้นผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณอันเป็นสาระซึ่งถึงความมั่นคงได้แล้วซึ่งความแตกฉานอันมีคำพีอนเนกประการเป็นลิสัยยานสมบัติของข้าพระเจ้านี้ เป็นเหตุอย่างหนึ่งแห่งสมบัติคือพระนิพพานของพระสารีบุตรเถรรูปนั้นข้าพระเจ้านั้นจักเป็นศาสนท า, ายาทของพระเมตรัยศาสดาแน่แท้เพราะอนุภาพแห่งขวามพยายามอันบริสุทธินี้ในการนั้น ขอข้าพเจ้าพึงพบและพึงสการะพระศาสนาของพระเมตไตรศาสดานั้นซึ่งกำลังรุ่งเรืองอยู่พึงพบและพึงสการะพระสารีบุตรเถระผู้มีใจหมดจดผู้เป็นครูของข้าพเจ้าดีกานิจบแล้วโดยยี่สิบสี่วันฉันใด ขอวความดำริอันดีงามทั้งหลายของเหล่าสัตว์จงสำเร็จพลันฉันนั้นเทินพนนาความสุดท้ายปรกรณ์จบแล้วดีกาอภิธรรมมัถฐสังคหะชื่ออภิธรรมมัถฐวิภาวินีจบบริบูรณ์แล้วการอ่าน ดีกาอภิธรรมมัทธสังคหาชื่ออภิธรรมมัทธวิภาวินีแปลหลักสูตรบาลีชั้นประโยคปท9และบส9ซึ่งเป็นสำนวนของพระธรมะรมวโรดมที่ท่านได้ตรวจแก้แล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2548อ่านจบเมื่อวันที่21 กรกดาคมพุทธศักราช2548เวลา4นาฬิกา39นาทีได้บันทึกเทปณกุติวัดโคกหลวงตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในการบันทึกเทปครั้งนี้ เครื่องบันทึกเทพได้รับความอุปถัมภ์จากพระมหา บ, บัณฑบกัณติโกทปท .8 วัดหาทานเรศเมืองนครปฐม 5,000 บาทพระมหาเจริญที่วังกระโรวัดนวล น, น, นริตเขตภาษีเร จ, จริญกรุงเทพ 5,000 บาทและพระมหา บ, บุญธรรมปัญญาวุฒโธวัดหมหาธาตุกรุงเทพ 5,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทเป็นเครื่องบันทึกเทป ที่ใช้บันทึกเทปวิชาปแปลฉั้นประโยคปท9แจกเป็นธรรมทานและเมื่อบันทึกเทปเสร็จแล้วการลงเป็นเอ็มพีสามโดยท่านพระมหาสมบูรณ์พุทธศีโลปท8วัดสามพระยาได้อนุเคราะห์ลงเป็นเอ็มพีสามและ นพระมหาสุเมศสุเมโทปท .8 วัดไรมิตรวิทยารามพระมหาประสิท ธ, ธานวีโรปท .8 วัดไรมิตรวิทยารามกรุงเท พ, พได้เป็นเจ้าภาพซีดีและช่วยไร้ยซีดีถวายเป็นธรรมทานในครั้งนี้และในปีการศึกษา2548นี้ผู้ร่วมบุญในการทำหนังสือและเทปตลอดจนถึงซีดี และเป็นการใช้จ่ายในการทำต้นฉบับต่างๆนั้นตั้งแต่ต้นซึ่งได้แจกเอกสารเป็นรูปเรื่มเรื่อยมาจนถึงครั้งสุดท้ายในปี2548นี้ ห้าครั้งด้วยกันซึ่งมีรายนามผู้ร่วมบุญในการทำหนังสือและเทปซีดีมีดังต่อไปนี้ท่านพระมหาสมอิงโชติกโรปท7เจ็ดเจ้าอาวาสวัดเนินพระเมืองระยองรองเจ้าคณะจังหวัดระยองห้าพันบาทพระมหาสมลักษ์คันท่าสาโรปท8แปดวัดท้ามอจังหวัดลำปาง สามพันบาทพระมหาบุญธรรมปัญญาวุฒโธปทแปดวัดมหาธาตุกรุงเทพสองพันบาทขก้าพเจ้าผู้อ่านและรวบรวมหนังสือแปลปทเก้าเล่นมนี้วชนสงครามกรุงเทพสามพันบาทพระมหาสมสักกิจจสาโรปทเก้าวัดราชนัดดารามกรุงเทพหนึ่งพันบาท พระมหาวีรชิตวริงโธปทาวัดป้องวิเชียนโชติการามสมุทรสาคร๒๐๐๐บาทพระมหาสายันธรรมวังโสปทาวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพงพันบาทพระมหา สนันยศชาโตปท๙วัดเทพเรีลากรุงเทพ๑๐๐๐บาทพระมหาอํานวยกัญญาณวาทีปท๙วัดจันสมองศรกรุงเทพ๑๐๐๐บาทพระมหาไพฑูรย์รัตนญาโนปท๙วัดเทพเรีลากรุงเทพ๑๐๐๐บาทพระมหาประทวนธรรมรักขิโตปท๙วัดสามพระยากรุงเทพ๑๐๐๐บาทพระมหาสงศั์ พระมหาพี oh. ่นันทีปท9วัดสามพระยา 1,000 บาทประมานิคมจันทศรีปท9วัดสุวรคีรีกรุงเทพ 1,000 บาทพระมหาสามารถปัจโชโตปท8วัดสามพระยา 1,000 บาทพระมหาถาวรเทรจิตโตปท8วัดสามพระยา 1,000 บาทพระมหาภาวสุดเทวธรรมโอปท8ประทานมูลนิธิศาสนาธรรมตำบลหนองบอลอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว 1,500 บาท พระมหาสามารถโชติปัญโยปททแปดวชนระสงครามกรุงเทพสามร้อยบาทพระอาชาญอากาวนโนณกธรมเอกวัดเขาวงพระจันทร์บ้านคร้อทอตะมนล์แม่จันอําเภออุ้งผางจังหวัดตากหนึ่งพันบาทสมเนธอุทัยขกิจปททเก้าวัดอรคังโคสิตา ร, รามกรุงเทพสามพันบาทคุณภูสิทธิ์บุตษย์ธริกากรบางลําพูกรุงเทพหนึ่งพันบาทและขออนุโมทนา ท่านพระมหาสมบัติอินทปัญโยปทแปดวัดพระธรรมกายปทุมธานีที่ที่ได้ช่วยติดต่อประสานงานและดำเนินการในกา ร, ในการหาทุนถ่ายเอกสารแจกณสำนักเรียนของคณะสนนส่วนกลาง200เล่มในปีการศึกษา2548นี้ พร้อมทั้งที่ลือไม่ได้คือคุณโยมกองแก้ววรรพิชาผู้อุปธรรมคอมพวเตอร์ทั้งชุดให้ได้ทำงานหนังสือดีกาอภิธรรมัทธสังหาชื่ออภิธรรมมัทธวิภาวินีแปลตั้งแต่เริ่มต้นปีพุทธศักราช2545และ ปรับปรุงเรื่อยมาแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2548จนถึงนำเสนอพระเดชพระคุณท่านเจา้าคุณอาจารย์พระธรรมวโรดมวัดเบญจมบาบพิษได้ตรวจแก้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2548 ด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาด้วยกันทุกท่านเถิด